การเสียสละเยี่ยงวีรบุรุษเมื่อครั้งที่อาตมาเป็นครูในโรงเรียนอาตมารู้สึกเป็นห่วงนักเรียนคนหนึ่งในชั้นที่สอบได้ที่โล่ตอนปลายปีอาตมาเห็นเขาซึมเศร้ากับผลสอบอาตมาจึงดึงตัวเข้ามาข้าง อาตมาบอกเขาว่าใครสักคนจะต้องได้ที่ส0บในชั้นเรียนที่มีนักเรียน30สิบคนปีนี้ถึงคราวที่เธอจะเป็นผู้เสียสละเยี่ยงวีระบุรุษที่ได้ช่วยให้เพื่อนเธอคนอื่นๆไม่ต้องอับอายในการเป็นที่โลของฉันเธอใจดีมากและมีเมตตาด้วยเธอสมควรได้รับเหรียญรางวัลเชียวนะ